ในภาคปฏิบัติถ้าหากว่าเราได้ลําลดับ <c oughs> ทั้งส่วนที่เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกันเราก็จะเห็นเส้นทางเหมือนเราเดินทางเราเคยดูแผนที่แล้วเราก็เดินทางตามแผนที่ความมั่นใจของเราก็จะสูงขึ้นนั่นในการปฏิบัติความจําเป็นทั้งสองอย่างนี่ ก็ไปด้วยกันปริยัตปฏิบัติก็เป็นผลที่ถูกต้องแล้วก็ปฏิเวทแต่ทั้งหมดทั้งโปรนั้นเราจะต้องมีหลักของเราเองซึ่งอย่างน้อยที่ได้กล่าวไปแล้วว่าจะต้องมีอยู่อย่างน้อย5หลักต้องมีศรัทธาหรือมีอารมณ์ร่วมที่จะศึกษาทางภาษาสมัยใหม่เรียกว่ามีศรัทธามีอารมณ์ร่วมอันที่สองเมื่อมีอารมณ์ร่วมแล้วก็ลงมือทําอย่างถูกต้อง อันที่สามมือทาอยู่ต้องด้วยวิธีใดวิธีให้มีสติสมาธิปัญญานี่เขาเรียกว่าหลักประส่วนตัวของเราจะต้องมีห้าหลักนี้ถ้าไม่มีห้าหลักนี้ทฤษฎีจะชัดเจนขนาดไหนก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ปฏิบัติจะเข้มขนาดไหนก็ช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องหวังถึงเรื่องผลคือปฏิเวทนะเพราะนันต้องคำนึงถึง หลักส่วนตัวให้ชัดเจนก่อนว่าเรามีศรัทธามีความเชื่อมั่นมีความอารมณ์ร่วมในการศึกษาแค่ไหนจุดนี้ต้องเป็นเรื่องส่วนตัวเราล่ะเรียกว่าเป็น <c oughs> โยนิโสมนุสิการหลักโยนิโสมนสิการเป็นหลักของเรา50ซแต่ในส่วนเรื่อง <c oughs> ภาคทฤษฎีเรื่องการนําเสนอครูบาอาจารย์วิสายสื่อต่างๆเป็น เพียงกระเรณนมิตรแต่ของเรานี่คือหลักโยนิสุมนาทิการทั้ง5ประการมีศรัทธาวิริยะสติสัมปชัญญาซึ่งได้กล่าวมาแล้วทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันซึ่งเราก็จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของเราเองด้วยในการศึกษามิฉะนั้นแล้วก็เพียงนำเสนอฝ่ายเดียวก็ไม่เกิดประโยชน์นะเมื่อครบพร้อมทั้งหลักสองประการนี้ผู้ทีเจ้าทั้งหมดจะทำอะไรก็สาเร็จ ฉันใช้คำว่าบุพนิมิตบุพนิมิตแห่งความสำเร็จมีแค่สองอย่างตีวหนึ่งก็มีหลักส่วนตัวของเรา5้เซมีศรัทธาปริยสติสมาธิปัญญาสองก็มีหลักปฏิบัติที่ได้จากกริยนมิตรกริยนสสายสื่อธรรมหลักการวิธีการทฤษฎีถือว่าเป็นกเริยวิทหมดในกลุ่มนี้นะ อันนั้นเองเมื่อสองหลักประกอบด้วยกันเรียกว่าประหยัดและปริยัติปฏิบัติก็ถูกทางแล้วผลท่านบอกไม่ต้องหวังก็ได้ <c oughs> เรียกว่าปฏิเวทนะทีนี้วันนี้ในส่วนที่เราจะสรุปหลักของเวทนานุปสนาสติประฐานพวกนี้เป็นเรื่องของจิตานุปสนานะมันก็จะส่งทอดกันถ้าเราศึกษาอย่างถูกต้อง สำหรับวันนี้หลักการของทฤษฎีในแง่ของเวทนาเราก็นําเสนอให้หมดแล้วในส่วนที่แต่ก็จะสรุปเป็นหลักการอีกทีหนึ่งเพราะบางคนพยายามจะถามว่าไอ้จากตัวนี้เป็นอะไรจากตัวนี้เป็นอะไรก็เลยให้ท่านั้นทําตัว powerpoint ให้แล้วก็เบรรงแรกที่ถามกันคือเรื่องว่าไอ้เอาเรื่องของกลุ่มของ เวทนาที่เป็นเหตุเป็นเวทนากลุ่มไหนเป็นหน้าที่ซะก่อนเวทนากลุ่มไหนเป็นหน้าที่เวทนากลุ่มไหนเป็นเหตุเวทนากลุ่มไหนเป็นสมุทยัยเวทนากลุ่มไหนเป็นมักเน่ยอยากเอาตัวนั้นซะก่อนเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องเวทนาอก็เห็นไหมข อ, ขอเทพขอกรีิตัวนั้นหน่อยผมนั่งเสมอใหญ่ตัวโปคเจคเตอร์มองไม่ค่อยเห็นชัด <c oughs> ก็อันหันของอันนะหันเยนข้นนิดนึงเยนโปรเจกต์มาหนิดหนึ่งนนเดียวเขาแะเเห็นจอยู่แต่หน้าที่เวทนาโดยหน้าที่เนี่ยที่ว่าในฐานะของ ต่างๆในเวทนาที่เกี่ยวข้องในองค์ธรรมต่างๆเนี่ยมันมีสามหน้าที่หลักๆ ห, หน้าที่เป็น <c oughs> ที่มีอยู่ในอันห้าอันดับแรกนะใช้ตัวนี้ก็ได้เอาแต่ตัวนี้ก็ได้ทานีาที่เป็นตัวขันห้าในส่วนของเวทนาซึ่งเราจะใช้มาต่อไปเลย ไม่ต้องเปลี่ยนสายก็แล้ในส่วนนี้เราจะเห็นว่าเวทนาในส่วนที่เป็นทำหน้าที่ในขันห้าคือทำหน้าที่ที่เป็นสื่กลางระหว่างรูปกับนามใช่ไหมรูปเวทนาเป็นตัวกลางที่จะสื่อคําว่านามกือสัญญาสังขารวิญญาณก็เรียกขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งได้กล่าวเรียกว่าเวทนาที่เป็นตัวเชื่อมตัวคัดเอาตัวสวิต ตัวสะพานอนะไรกัแล้วแต่มันจะอยู่ตรงนั้นนะลูกก็เหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่งพอมีน้ำเข้าไปพอมีเวทนาเชื่อมน้ำเข้าไปปั๊บเนี่ยเหมือนสายไฟเปล่าๆมีสายทองเหลืองทองแดงธรรมดาพอกดสวิตช์เข้าไปปับ๊บมันไม่ใช่ทองเหลืองทองแดงธรรมดาแล้วมันพร้อมที่จะช็อตเราจ่ายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสัญญาสังขารมีอยางทั้งสามตัวนี้เป็นนาำนะอันนี้เวทนาที่ทําหน้าที่เป็นสีกลางลักษณะ น, นี้ ที่อันที่สองเวทนาทำหน้าที่ที่เป็นตัวไปอลยทำหน้าที่ที่เป็นสมูสมูทัยของทุกอะนะในฐานะเป็รสูจะให้เกิดทุกคือเวทนาในปฏิจจเจสมุบาทคือเชื่อมต่อเหตุไปหาผลของทุกได้อย่างไรตัวนี้เราเราจะเห็นเนี่ยหน้าที่ของเวทนาที่เชื่อมต่อในตัวเหตุตัวผล อันเวทนาที่จะเกิดตัวที่จะนำไปสู่เวทนาเนี่ยนะถ้าหากว่ามันอยู่ภายใต้อวิชานะมันก็จะต้องเป็นลงมาตามระดับเป็นสังขารวิญญาณ น, นามรูปอยายตนะผัสสะนะพอในในเมื่อเราเปิดหัวขบวนเป็นอวิชานี่มันก็จะลงมาอย่างนั้นนะ่ะเหตุที่มันห้ประการสังขารวิญญาณ น, นามรูป ยต น, นะหมายความไงหมายความว่าพอเราไม่ได้รู้สึกตัวปั๊บเนี่ยพออะไรมากระทบปับ๊บมันก็เกิดสังขารคิดเลยคิดตามเรื่องนั้นแหละเราเห็นลูกก็อ้เห็นดอกไม้อู้สวยจังเนาะเห็นคนนี้เออชอบเนาะหรืออาหารมากระทบริดปับ๊บรถอะไรคิดไปเลยแล้วไม่ตั้งไม่ทันตั้งตัวเลยว่านี่คือรถศัพท์ว่ารถมันมันตามไม่ทันนะพ อ, อะรูปเสียงกลิ่นรถสัมผัส กระทบอายัดนะปั๊บเนี่เกิดสังขารล้วรู้ว่าเอออันนี้แกงอันนี้หรืออันนี้เสียงของใครเสียงนีิว่ายอย่างไรหรือกลิ่นเป็นกลิ่นของอะไรคิดไปเลยนะกระทบว่าอันนี้กลิ่นมะม่วงกลูดอันนี้กลิ่นมะนาวอันนี้กลิ่นเน่าอันนี้กลิ่นเหม็นอันนี้กลิ่นหอมคิดไปจินตนาการไปทันทีเป็นนามรูปปรากฏในใจทันทีเลยใช่ไหมนามรูปคือหมายความว่า พอเราได้กินเขากินกุหลาบดอกกุหลาบเขปรากฏในจิตเขาได้ว่านามรูปเพราะนี่กินมะนาวมะนาวปรากฏในจิตเพรอันนี้กินข้าวปลารูปปลาปรากฏในจิตเกิดการขยับขยงอ๋อนี้กินอุจาระนึกถึงเกิดการขยับขยั่งที น, ะนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นอายตนะก็ทํางานนะอายตนะก็ทํางานสื่อระหว่างตัวสิ่งนั้นนามรูปเข้าสู่จิตโดยอาศัยอายตนะพัสสะ ก็เกิดตัวเป็นผลออกมาคือถ้าเป็นกลินที่ไม่ชอบใจก็เป็นวิภวะดันหาดันหาก็ไม่แยกเป็นสามนะถ้ากินที่มันชอบใจก็เป็นกามตันหาอยากได้กินแสวงหากลิ่นนั้นมาโอดอกไม้ดอกนี้อร่อยหรือแกงถ้วยนี้อร่อยอ่าคิดหาเป็นกามาดันหาหามากินจนได้เป็นภาวะดันหาพอกินนานๆก็เบื่อเป็นวิภวะดันหายเห็นไหม เสร็จแล้วก็ไปยึดนะตัวดันหาถ้าหาพวาสติมาไม่ทันนะมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ดันหาประทานไนะปยึดตันหาให้ให้เป็นตามที่เราอยากไปยึดเอาไว้ยึดก็ชาติตัวนั้นเกิดเกิดความคิดขึ้นมานะเกิดความคิดไปคิดที่จะได้สมมติเราคิดเออชอบรถคันนี้นะรถคันนี้ก็จะมาเกิดในใจเรามาเกิดในใจบ้านในหลังนั้นเนระาชอบ ว่าหลังนั้นก็จะเกิดในใจของเราเมื่อมันยังอยู่ในใจของเราแนละ้มันก็เรียกเป็นพบเป็นการมาพบรูปรพบอารูปพบนะหรือไปชอบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปสแสวงหาสิ่งนั้นตราบใดที่เรายังไม่ได้สิ่งนั้นมาพบตัวนั้นมัน ก, ก, ก็พอมันเกิดในจิตของเราแล้วเป็นยังไงมันก็เกิดทุกข์ละภาพที่จะเกิดทุกข์ในการสแสวงหาใช่ไหม กวัวจะได้รถคนนั้นมาได้บ้านหลังนั้นมาได้แฟนคนนั้นมาเนี่ยมันทุกหลายรอบแล้วโสกะปริเทวทุกโทมณตอุปายาอุปายาตทั้งหมดทีกลุ่มโสกะปริเทวทุกขาดโทมณตอุปายาตนี้ตามภาษารวมท่านใช้ก็ว่าชาราต่อจากชาราเป็นอะไรมรณะนั้นหมายความว่าความสุขก็ดีความสบายก็ดีความปกติได้ตายไปจิตใจกลายมาเป็น รวมทั้งหมดคือมรณะคือชราอาโศกะปริเทวาทุกขโทมนัสสะเข้ามาแทนคำทั้งหคํานี้เป็นความหมายของคำว่าตายจากความสุขมรณะคาว่ามรณะไม่ได้ตายจากสังขารนี่นะมรณะในภาษาสมุทัยก็คือตายจากความปกติสุขออกมาเป็นตัวภาวะจิต ท, ที่ไม่สบายความอึดอัดทับแค็งความ อยากความหวังความอะไรวุ่นอยู่ในใจวิตกกงังวลความสุขความสบายปกติแช่มชื่นแก่ใสหมดไปเลยตายไปแล้วเกิดมาเป็นตุนิแทนเนีรียกว่าอันนี้ในฐานะเป็นสมุทัยอันนี้อธิบายคร่าวๆนะถ้าละเอียดแล้วมันจะอ่าสับสนได้เพราะฉะนั้นสมุทัยในฐานะเป็นเหตุเป็นผลให้เกิดทุกข์แต่ถ้าสมมติว่าแต่ในสายที่เป็น ฝ่ายนิโรธอามาไม่ได้ดึงเอามาไว้เอาเฉพาะเป็นสมุทยัยนวะเวทนาในฝ่ายนิโรธาทวารมันจะสับสนไปเอาเฉพาะฝ่ายที่เป็นสมุรทรยัทวารคือเป็นเหตุถ้าหากว่านำขงหงวัวขบวนด้วยวิชาไอ้ที่ตามมาก็จะเป็นอะไรก็เป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นญาณเป็นแสงสว่างออกมาแล้วตัวพวกไอเวทนาตัวนี้ก็ตันหาอุปทานตัวนี้ก็ไม่เกิดเกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะ หัวขบนมันไปเชียงใหม่แล้วมันไม่ได้ไป อ, อุบลแล้วทีนี้มันกลับกันนะอยู่ที่หัวขบวนคือวิชาและวิชานะเพราะฉะนั้นตัววิชาเดียจึงเป็นทั้งเหตุของอาการเกิดทุกข์และวิชาเป็นเหตุของการดับทุกข์นะอันนี้เวทนาในท่าที่เวทนาในปฏิจจสุบาติเชื่อมระหว่างเหตุและผลของทุกข์เข้าด้วยกันนะเมื่อี้มันเชื่อมรูปกำลังเข้าด้วยกันเอาต่อไปเวทนาในี่ยทำน้าที่เป็น ในฐานะเป็นมรรคที่นี่อ่าเป็นมรรคที่การทําให้ทุกอ่าดับไปคุณจริงส่วนเนี้ยต้องมาแยกย่อยอ่าที่กล่าวมาเมื่อกี้ว่าเวทนาที่มีวิชาเป็นหัวขบวนมันเป็นมรรคในวิศวเวท น, า น, ปปน า, านุปัสนาสกิปฐานคือการเห็นเวทนาศัพท์ว่าเวทนาเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรา หรือไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงความรู้สึกของรูปและนามเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราขาดสติขาดวิชาเราก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นรูปเป็นนามเห็นว่าเป็นอินนั้นเป็นรูปนี้เป็นความสวยความงามเป็นความ อ, าอยากไปตามลำดับนะเพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็คือเวทนาในสติปัฏฐานสี่ทั้งหมดนะเวทนาอุปรสรนาสติปัฏฐานสี่ทั้งหมดซึ่งในส่วนที่เป็น นิโรธนะคือในส่วนที่เป็นนิโรธกับมักกะจะนําเสนอในรายละเอียดในวันต่อไปอันนี้โดยย่อหน้าที่เป็นเหตุเป็นเวทนาที่เป็นมักเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เป็นมักเป็นผลวิธีเป็นเหตุเป็นผลนะเทเวทนาที่เป็นมักและเป็นผลผลก็คือในส่วนที่เป็นนิโรตนั่นเองซึ่งไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องนั้นนี้คือเวทนาสามลักษณะทีต่อไปมาดู เวทนาในส่วนที่วิวัฒนาการของของมันนะเวทนากรของสุขเวทนาและวิวัฒนาการของทุกขเวทนาวิวัฒนาการเป็นยางไรในในฐานนี้เป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกขีหนึ่งที่ย่อยมาจากไอตัวนั้นหลังจากที่มันทาแล้วที่เป็นเชื่อมอเหตุเป็นผลของทุกขแล้วเนี่ยในตัวเขนเอง มันขยายแยกแตกตัวไปยังไงนะสุขเวทนาเป็นความรู้สึกทางกา ย, นะายสบายสบายทางกายเนี่ยแต่พอความรู้สึกสบายทางกายคลายสติกำหนดรู้ทำให้เพลินในสุขเวทนาเกิดอะไรขึ้นนะนะมันก็จะมาเกิดตัวนี้ราคะสหากาตะคือหมายความว่าเพลินเพลินในความสบายอันนั้นชอบเพลินหมายความว่าสมมติเรานั่งเพลินแล้วก็นั่งไปจนจนหลับนั่งไปจนง่วงนั่นแหละ หรือนอนก็นอนจนเพลินนอนจนขี้ขเกียจตื่นนะหรือกินก็กินอร่อยก็กินจนอิม่มจนเกิดโลกนั่นแหละแล้วก็เลิกเพลินในในเวทนาเมื่อเพลินแล้วกเกิดอะไรขึ้นทีนี้ก็เกิดความพอใจในสิ่งนั้นชอบใจเมื่อชอบใจก็ไม่มีสติตามรู้ความชอบใจอีกนะความพอใจก็ให้เกิดอะไรการมาฉันทะพอใจใครอยากเพิ่ม เพิ่มจำนวนความพอใจขึ้นอ่าไม่พอพอแค่นี้ไม่พอขอเพิ่มหน่อยเพิ่มแล้วเกิดอะไรต่อตัวกรรมตัตหานาก ร, รมวัตรฐาามันก็จะพ่วงไปสู่วิภวะตัาหาสมมต่อก ร, รมตัตหาทีนี้มันอยากได้ใช่ไหมเพร อ, อยากได้ก็ใส่แหวนหาพอใส่แวนหาได้มาเรียกว่าภาวะตันหาพอได้มาแล้วมันนานๆมันมันเบื่อไม่ชอบก็เป็นวิภวะตันหาแล้ว เป็นดัญหาทั้งสามชอบก็เป็นดัญหาไม่ชอบก็เป็นดัญหาได้มาก็ยังไม่ได้ก็ยังเป็นดัญหาอยู่เพราะนั้นตัวนี้โทษมาจากว่าเราไม่ได้ตามดูสุขเวทนาเรื่องเดียวอะนะขยายมาเป็นกรรมัตัญหาต่อไปมันจะขยายเป็นอะไรต่อนะก็เป็นอภิชาอภิชาแปลว่าความพอใจพออยากได้มาหาว่ายแล้วทีนี้จะได้สิ่งนั้นมาได้ไงหาวบายหาวิธีการ จะเป็นวิธีการยังไงแยบยนให้ได้สิ่งนั้นมาวางแผนนะสมัยนี้เขาเรียกว่าใช้กลยุทธ์ใช้วิธีการใช้หลักใช้ทฤษฎีเกิดขึ้นมากมายที่ซีในการแสวงหาตามที่เราอยากนะเพิ่มความอยากขึ้นเรื่อยๆอุบายวิธีก็แยบยนขึ้นเรื่อยๆนะเสร็จแล้วก็กลายมาเป็นโลภจริตคือความอยากได้เพิ่มขึ้นไม่รู้จบเป็นโลภมูลเป็นเหตุให้เกิดจยากได้ และโลภะจริตตัวนี้ก็กลายมาเป็นอะไรบริโภคนิยมใช่ไหมการมนิยมอย่างทุกวันเนะี่ยก็ไปยึดสิ่งที่เราอยากนั้นอย่างมั่นคงก็กลายเป็นอุปท า, านตัวหนึ่งเรียกว่าการมอุปาาัทธคือความอยากได้กลายเป็นความยึดติด <c oughs> ในกามทั้งหลายเมื่อยึดติดแล้วก็มีการแย่งชิงทั้งที่เป็นวัตถุกรรมกิเลสกรรมวัตถุกรรมคือสิ่งที่เป็นที่เราต้องการความรู้สึกที่เราต้องการเรียกว่ากิเลสกรรมสมมติว่าเรารู้สึก ร้อนขึ้นมาหายื้อมร้อนเลยเเไปหาพัดลมเอา พ, พัดลมได้มาสมมุตินะพัดลมเป็นวัตถุและความอยากได้มาก็เป็นวัตกิเลสการมนะแลพัดลมนี่มืนเม่เย็นไปหาแอร์แต่ว่าพัดลมนี่ซื้อ <c oughs> ตัวสามพันห้าพันแต่แอร์จะตัวละหมืน่นสองมก็ต้องหาเงินหาวัตถุกรรมมาหาเงินมากขึ้นนะเพื่อจะให้สิ่งที่เราต้องการมา ทีนี้ก็ไปยึดเพียงแต่ละาไปยึดความสุขทางสบายทางกายเท่านั้นแหละมันก็พัฒนามาเป็นความทุกข์ในการแสวงหาละนะจากกรมมืประธานมันเดินต่อไปอีกเป็นตัญหานุสัยความอยากความไข่จนกลายเป็นกรรมูลสันดานหมายความว่าความอยากก็เห็นอะไรก็อยากไปหมดนะได้ยินอะไรที่มันเพราะหูก็อยากจะได้มาเป็นส่วนครอบครองอ่ากินอะไรที่มันถูกจมูกก็อยากจะได้มาไว้ตั้งไว้ในห้อง นอนห้องน้ํารถอะไรที่มันรู้สึกว่า <c oughs> ติดลิ้นติดรสแล้วมันจะไกลขนาดไหนมันจะแพงขนาดไหนฉันก็จนไปหาซื้อมากินจะได้นะเพราะมันยึดเข้าไปเป็นสิ่งเสพติดแล้วนี่เขาเรียกว่าวอนุใส่ลนะนะเรื่องสิ่งเสพติดมันจะเกิดจากไอ้พวกอาหารการกินทั้งหลายนีย่ไม่พอก็อไปซื้อสิ่งเสพติดมากินจะได้เป็นบุลัยฝินกัญชา ย, ยาผินบุรีน้ําชากาแฟตามกันมาเป็นฟวงเลยที่นี้เป็นอนุใสแล้ะ เห็นที่ไหนก็อยากจนกระทั่งร่างกายเป็นไงเติมสิ่งนี้เข้าไปด้วยดัาหาก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาแล้วการเลียหย่ารักษาตามมากำเจ็บป่วยปัญหาติดตามมาความป่วยความตายตามมาเพราะความอยากนั่นเองนะทีนี้ด้หาหานุัยกายต่อไปเป็นไงเป็นราคะนุใสใคร่จนเป็นนิสัยง่ายต่อการเกิดกิเลสความใคร่นะก็ต่าง ม, มานะกลายเป็นความรุนแรงขึ้น เห็นอะไรก็ง่ายความก็เกิดโลกภายไข้เจ็บตามมาเกิดการแย่งชิงกันตามมาเกิดติดโลกติดเอติดโลกติดภัยเกิดกิจการค้ามนุษย์กันเกิดขึ้นนะกิจการค้าขายในสิ่งที่เป็นวัตถุ ก, การมทั้งหลายการเกิดขึ้นมากมายในโลกใช่ไหมแล้วก็โลกนี้ก็เต็มไปด้วยโลกภายไข้เจ็บเพราะราคา ม, มุใสเพราะเพ่อให้ความให้คุณให้ค่ากับความ อยากทั้งหลายจนเป็นนิสัยแล้วจนเป็นอนุสัยต่อไปตัวสุดท้ายที่ยากกนการถ่ายถอนที่กล่าวมาเมื่อคืนก็มีความรู้สึกอ่อนไหวที่จะได้ความอยากความค่ายทำให้ความอยากความค่้เข้ามาครอบงำจิตใจได้ง่ายโดยไม่รู้ตัวเฮ้ยมันมันเกิดขึ้นโดยไม่รู้ว่ามันมาบ้านได้ไงมันชอบอความชอบมาได้ไงไม่รู้ หรือมันชังมันชังงมันมาของมันเองแหละเห็นหน้าคนนี้ชอบใจจังเออเห็นของนี้ชอบจังมันมาของมันเองทั้งที่มันได้นึกคิดมาก่อนนะมันเป็นอัตโนมัติเลยทีนี้ลักษณะความอยากคองใครที่มาโดยอัตโนมัติที่เราไม่ได้คิดมาก่อนเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นอาสวะมันออกมาเองอาสวะแปลว่าสิ่งที่ออกมาโดยไม่รู้ตัวในภาษาอังทีจะใช้คําว่ารีกคำว่ารั่วซึม แต่ว่าร่วงไปสหรืออีกคำหนึ่งที่เราใช้กับอิทธิพลที่มันมีอํานาจมีพลังบังคับกดขี่ข่มเหงจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ทําก็ต้องทํามันไม่อยากก็ต้องอยากทั้งที่เราไม่ชอบอย่าให้มันเกิดมันก็เกิดเพราะมันกลายเป็นตัวที่นอนเนื่องอมันเป็นวัยต่อที่จะเกิดแล้วก็เรื่ออนุสก์เป็นอาสวะเรื้แรงที่สุดตัวนี้น ะ, อ, ะอันนี้คือทั้งหมดของเขาวัฒนาการเขาว่า เพียงแต่สุขเวทนาไม่ได้รับการตามรู้เทนะ่านั้นน่ะมันแตกตัวเป็นอะไรอ่ะ<ม>เราเรียกว่าตามภาษาการเกิดโูกเขาเรียกอะไรนะไวรัสหรืออะไร<ม>อะไรนะเชืออบบเช้อโรค อ, อ่ะนั่นนะ่ะแตกตัวไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วในะที่สุดมันก็มันเป็นชีวิตจิตใจกันจากสุขเวทนาไม่ได้รูบ ก, การตามรู้กลายเป็นราษักคาตะหรือราษคต อาสากลไม่ถูกตามรู้อีกยังตามไม่ทันอีกอ้าวมาคอความพึงพอใจเกิดความพึงพอใจสติก็ยังตามไม่เท่นอีกมาเป็นการมฉันทะกรมว่าฉันทะก็ยังตามไม่ทันอีกเป็นกรร ม, มาตัะหากกรมวตระหนัก็ยังตามอีกเป็นอภิชาเป็นโลคัจฉิตกรมุปาทานตัะหนักนุสัยราคะนุสัยอากรรมาสวะยากแล้วทีนี้ตรงชีวิตเวียนไหวใจเกิดไม่รู้จักจบเลยเพราะถ้าหากรากของมันยังไม่จบนะตัดอาสวะไม่จบอันนี้มาถึงรากของมันกลัวจะมาถึงรากของมันเท่าไหร่ ตั้งทั้งหมดเท่าไหร่แปดสิบใช่ไหมอ่าแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนแหละเป็นสิบเอดขนาดที่ใจขยายน่ากลัวนะอ่าเป็นเป็นตัวน่ากลัวที่นั้นเราจะไม่มีทางอื่นเลยที่จัดรากตัดรูต้ตัดตัวนี้มันออกคือจะว่าจัดการเอาสติไปดับไปจัดการกับสุขเวทนา หมายความว่าจะไม่ให้เราเสยสุขเลยใช่ไหมไม่ใช่ให้รู้เท่าทันว่าอันนี้คือแค่สุขเวทนาความสบายกายน ะ, ะมันมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้ามันมีก็ออสบายหน่อยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่เราถ้าเราไม่รู้เท่าทันถ้านั่งอยู่สบายสบายร้อนขึ้นมาหน่อยเป็นไงโอ้ไม่ได้ไปหาพัดลมลืมทันทีเลยความอดความทนก็เลยไม่มีนะแต่ถ้าหากเรา ดูเมื่อกี้มันเย็นสบายนี่นะตอนนี้มันอับอ้าวขึ้นมาหน่อยเงื้อไหลไม่ไหวแล้วกระวนกระวายก็ต้องแสวงหารักษาระดับสุขเวทนาต่อไปนะเพราะนั้นอันนี้คือสุขเวทนาในฐานะเป็นสุขใดให้เกิดทุกข์มันจะเวทนาการของตัวของมันอย่างนี้อ่าต่อไปเวทนาในฐานะที่เป็นเหตถูกไหมล่ย ที่เป็นทุกข์ไม่คิดเป็นสุขใช่ไหมบางครั้งเนี่ยเวทนาที่เป็นทุกข์เนี่ยที่มันไม่สบายความรู้สึกไม่สบายายนะเมื่อขาสดสติตามรู้เท่าทันก็ให้เกิดอะไรอันนี้ก็ให้เกิดอารติไม่พอใจไม่รู้สึกไม่ไม่ชอบอะอารติแปลว่าไม่ชอบนะมันไม่ชอบเลยไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยโอ้ั่งปวดหลังกันไม่ชอบเลยนะอ่าก็ คือไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้นะยังไม่ไม่กอดตัวเป็นทางด้านจิตใจเท่าไหร่นิดติดนะแต่ว่าร่างกายมันปวดเมื่อสติตามมาไม่ทันความที่ไม่ชอบทางกายเกิดมาเป็นความรู้สึกไม่ชอบพอไม่พอใจอ่นอัด อ, อดใจเรียกว่าโทมันทัศโทมนั ส, นสเวทนาความรู้สึกไม่พอใจ Un iness, อ n นสัตเทฟทารินิสอินสัตสฟายอัดนะตัวนี้ก็ พอรู้สึกอึดัดไม่พอใจสติแทนที่จะตามค่อยเฝ้าดูความไม่พอใจก็สติเราฝึกมาน้อยอะตามไม่ทันมันไปเสรจแล้วก็พัฒนามาเป็นปฏิฆะงุดหงิดขุนเคืองในอารมณ์ที่มากระทบในเรื่องที่มากระทบขุนเคืองก็มันอาจจะมีเรียกว่าอารมณ์อะไรที่มันเละเมียละเอียดกว่า น, นั้นนะนะเรานึ่ไม่ออกว่าเอา ว, าว่ารู้สึกว่า ง, งุดหงิดก็แล้วกันขุนเคืองที่รู้สึกว่าจากตัว ไม่พอใจเนี่ยนะทุกขเวทนาเนี่ยรู้สึกรู้สึกไม่ไม่มาเป็นความไม่พอใจนะไม่ชอบแ้วก็ไม่พอใจแล้วเกิดงูหิตขึ้นมาไอ้ัวงงูหิตจะพัฒนาตัวไป็นยังไงต่อทีนี้ก็มาเป็นโกธารู้สึกฉุนหรือขัดแย้งในใจเออเรามานั่งปฏิบัติทําไมเราอยู่บ้านดีๆมานั่งปวดแขล้งปวดครัปวดหน้าปวดหล้างปวดเอวอ่า จะทําอะไรก็ไม่ถนัดเกิดเอิดอืดอัดขัดแยง้งเกิดรู้สึกไม่พอใจตนเองขึ้นมาเอ <c oughs> มาทําอะไรอันนี้เนะี่ยเกิดโกหกโกรธขึ้นมาเพราะสติเราจำไม่ทันทีนี้อา้าวพอตามไม่ทันอีกพอถึงโกรธไม่ทันอีกกลายเป็นพยาบาทะละตัวตัวรู้สึกทุกขเวทนายอย่างนั้นพยาบาทะความรู้สึกขัดขัดข้องกดดันงุ่นงานโกรธตัวเองคับแค้นคับห้องใจ เก f r u s t a t e เกิด f r u s t a t e ขึ้นมาก็คือตัวพยาบาทาตัวนี้พอตัวนี้แล้วก็ยังจางาไม่ทันอีกก็เกิดตัวโทสะความรู้สึกพุ่งพล่านเล่าร้อนทุกกระทมขุนมัวเศร้าหมองห่อเหียวท้อถอยในกลุ่มของโทสะนี่นะเข้ามาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะทำให้เราไ ม, ไม่สนุกละแรงขึ้นเรื่อยจากโทสะพัฒนามาเป็นอะไร ดูกลุ่มขงเขามาเป็นมานะรู้สึกต่อต้านรู้สึกต่อต้านต่อสู้อยากเอาชนะขึ้นมานะเอาชนะในสิ่งที่จะมีการคัดแย่งถกเถียงถามเหตุถามผลต่อสู้อะไรต่างๆเพื่อจะเกิดการคัดแย่งอะไรต่างๆเกิดมานะขึ้นมาละเอียดลงไปเรื่อยๆยจากหยาบๆ เ, เกิดมานะแล้วมานะนี่ก็จะแยกเป็นตระกูลทั้งเก้าแล้ว ไอตัวตัวนี้เคยมากลายมันเป็นมานานุสัยเป็นโทสารุสัยเป็นปฏิขานุสัยตัวนี้เกิดอนุสัยหลายตัวเลยนะตัวตัวทุกเวทนาตัวเนี้ยถ้าพวกเราสติตาบไม่ทันเขาว่าอนุสัยหมยเขาว่ามันเกิดมาเป็นความเคยชินของเราแหละความเคยชินน่ะเป็น เ, เป็นนิสัยคนส่วนใหญ่จึงเป็นมานะไงจากพัฒนาความพอใจพัฒนาไปเป็นตัณหา ความไม่พอใจพัฒนามาเป็นตัวมานะใช่หทีนี้ความจะว่าพอใจไม่พอใธทุกความรู้สุกพัฒนามาเป็นต่อไปเดี๋ยวเราจะเห็นนะนะจากมานานุัสปฏิฆานุัสล่าสุดมาเป็นอะไรพระภาวาสวะคือความรู้สึกไม่มีความพึงพอใจในอารมณ์ไเมื่อไม่มไม่ได้เมื่อไม่มีไม่มีสิ่งที่ตนไม่ชอบมากระทบอนายในหนึ่งเข้าก็มีความรู้สึกเป็นลบ เป็นนิสัยเป็นบุคลิกประจำตัวนะเป็นน a t ท v ฟ personality ไปเลยนะบุคลิก ก, ก็ไม่ดีแต่นั้นก็เมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามตามศึกษาตามแก้ตัวนี้ในส่วนที่เราจะแก้อย่างไรเนี่ยว่าในรายละเอียดนั้นเพียงทุกขเวทนาไม่สบายกายอย่างเดียวมันมีรากมากกว่าตัวนั้นนะหนึ่งสองสามสี่เก้าสิบสิบเอ็ดหมือนกันใช่ไ ม, ม เสียด้ว น, นกันนะจากทุกขเวทนาอารติอันที่เขาใช้ในสับาลีนะแต่ว่าได้อาจารย์อธิบายมั น, นี่พอจะจับความเข้าใจได้ทุกขเวทนาในฐานะที่เป็นส ม, มุทัให้เกิดทุกขม่ขนะี่สุขเวทนาในฐานะเป็นเหตุให้เกิดทุกขทั้งสุขทั้งทุกขก็เป็นเกิดใหเด้เกิดความในส่วนที่เป็นอกุศลทั้งสองฝ่ายนะทีนี้มาดูในส่วนอทุทกธรรมสุบ้างนะ อทุกขมสุขเวทนาเพราะเวทนามีสามตัวใช่ไหมที่เราเรียนกันคืออาทุกขม์มสุขเวทนาในฐานะเป็นสุปดาให้เกิดทุกข์คือความรู้สึกไม่ชัดเจนในอาการของสุขและทุกข์คือไม่สนใจในอาการของสุขและทุกข์ก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดอุเปกฆาเวทนาคือความรู้สึกเฉยเมยต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นส่งใจออกไปสนใจเรื่องอื่นภายนอกไม่ใส่ใจต่อสุขทุกข์กที่กําลังเกิดในตัวเองใช่ไหม คือบางทีเราไม่ได้ใส่ใจขณะที่เรานั่งมันรู้สึกไงแต่เราหาเรื่องคิดเรื่องอื่นนะบางคนนั่งเล่นไพ่เล่นไฮโลเนี่ยทั้งวันทั้งคืนมันปวดมันมื่อยไม่สนใจอ่ะสนใจไปที่นู่นเินไปเรื่องที่มันจะได้กินได้ของได้ใช้อันนี้เป็นปกติมากแต่ละคนใช่ไหมใครก็จะไม่สนใจใส่ใจความอึดอัดความไม่สบายกายใจของตัวเองไปสนใจว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่แล้วก็ทนทํางาน ทนเอานะทนโดยสิ่งเหล่านั้นไปเพราะนั้นตัวอุเปกขาเวทนาที่ออกมาในลักษณะอุเปกขาตัวนี้จึงไม่ใช่อุเปกขาในสัมโพชงนะเป็นอุเปกขาในเวทนาเพราะมีอุเปกขาสัมโพชงแต่อันนี้เป็นอุเปกขาเวทนาถ้าอุเปกขาสำโพชงนะั้นเป็นอุเปกขาในการที่หลวงพ่อปยุทิ เ, เนี่ยใช้ว่าอุเปกขาเวทนาจะแจกว่าเฉยเมย วิบคุยกับในสัมพุชฌงเขาว่าเฉยมองท่านให้คําจังหวัดความดีเฉยมองหมายความว่าในเฝ้าดูนะเฉยเฝ้าดูเฉยเอ่ะแต่อันนี้ไม่ได้เฝ้าดูเลยเฉยเมยเลยนะส่งจิตออกไปข้างนอกหมดเลยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเองครั้นี้ไม่ไม่รับรู้นะไม่ใส่ใจไม่เอาใจใส่อะไรเกิดขึ้นตัวเองทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสบายไม่สบายไม่รู้สนใจไปคิดข้างนอกตรงนี้จึงเป็นสบุ่แดดให้เกิดทุกข์ทีนี้พัฒนาการ คงจะไม่มากเหมือนสอตัวอุเปขาตัวนี้พอเราไม่ได้ใส่ใจมือนไกลามาเป็นโมหานุสัยความหลงเพลินในเรื่องอารมณ์ต่างๆทั้งสุขทั้งทุกข์หลงเพลินในสิ่งที่ภัยาสตที่มากระทบเพลินไปกับสิ่งวันๆเพลินไปก็เรื่องนั้นบางเรื่องนี้บ้างได้เพลินในการอ่านเพลินในการกินเพลินในการเล่นเพลินในการสนุกสนา น, นเพลินดูทีวีได้ทั้งวันเล่นอินเทอร์เน็ตได้ทั้งวันเล่นเกมได้ทั้งวันมันเพลินขนาดไหนมันเนี ไปดูหนังฟังเพลงทําทกิจกรรมอนุนิเพลินไปตรงนี้เขาเรียกว่าโมหานุสัยนะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เปนกันที่นี่โมหานุสัยมันจะพัฒนาตัวเป็นอะไรอวิชานุสัยนะมีความโง่เขลาต่อเหตุการณ์และอารมณ์ต่างๆไม่มีเหตุผลการแสดงออกมาเป็นคนเจ้าอารมณ์นะคนเจ้าอารมณ์โดยที่อะไรไม่ถูกใจปั๊บก็แสดงอาการเลยอเพราะว่า ถ้าคำพูดไม่ถูกใจปั๊บหน้าที่ยิ้มรื่นอยู่ยิ้มยิ้มรื่นอยู่เนี่ยกลายเป็นหน้าเป็นไงเปลี่ยนสีเปลี่ยนอาการไปเลยใช่ไหมยิ้มไม่ออกละเขาพ่อตัวนี้บังคับอยู่อวิชานวิอวิชานุใสมันเป็นเจ้าอารมณ์อยู่นะื่อทีคุยกันดีๆพอคำพูดกระทบจิตนิดหนึ่งหน้าเปลี่ยนท่าไปเลยยิ้มอยู่ดีดหายไปเลยรอ ย, ยิ้มเหลือรอยบุรขึ้นมาแทนนะพอไอ้ตัวนี้แหล ะ, ะต่อไปเป็นยังไงคิดที ทิฏความคิดเห็นไม่ถูกต้องตามทํานองของธรรมนั่นเองความหมายเขาอ้ า, อางเหตุอันควรเขาข้างตัวเองเรื่อยไปไม่ชอบฟังเหตุผลที่ถูกต้องของคนอื่นก็ เ, เป็นมิจฉาทิฏฐินะเพราะฉะนั้นตัญหามานาทิฏฐิก็พัฒนามาจากปัญหาพัฒนามาจากทุกขเวทนามานะพัฒนามาจากทุกขเวทนาทิฏฐิพัฒนามาจากอทุกขมสุขเวทนาก็พัฒนามาจากตัวนั้ น, น, นเอง เปลี่ยนรูปมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นตัวนิทิฏฐิกันหามานาทิฐิอ่าเพราะฉะนั้นตัวทิฐิก็ให้เกิดอะไรไปเป็นทิฐิเอาตัวนี้ต้องต้องเขียนว่าทิฏฐานุใสนะไม่ใช่ทิฐานุใสเปลี่ยนใหม่นะเป็นเทิฏฐานุใสพราะมาบอกทิฐิเมื่อมาบอกอะสรีหายไปก็เป็นเป็นอ่าเป็นทิฏฐานุใสัยฮะมีความเป็นเจ้าทิฐิเจ้าอารมณ์ไม่มีเหตุผลไม่ยอมรับฟังความถูกต้องอ่า ที่ต้องชอบด้วยเหตุด้วยผลที่ขัดต่อความรู้สึกของตัวเองอะไรก็ตามที่ขัดต้งเสือกมฉันฉันไม่รับก็แล้วกันฉันฟังได้แต่ฉันไม่เอาลองนี่นะคำพูดของเราฉันรับฟังได้แต่ฉันไม่ทําตามนั่นเองแล้วก็เรียกว่าเป็นอนุใส่ตั้งแต่ละคนไปเพราะมาจากพัฒนามาจากเราไม่ใส่ใจอะไรชัดเจนความรู้สึกที่มันมีสุขทุกข์ที่มันมีอยู่ตัวเองเราไม่ใส่ใจเมื่อใส่ใจมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากทิฏฐานอนุสัยมาเป็น วิชาสวะลึกสุดละเทนี้นะควาไม่รู้เท่าทันต่ออารมณ์ความคิดปรุงแตง่งทั้งที่เป็นสุขและทุกข์หลงไหลในอารมณ์ที่เข้ามาปรุงแต่งต่างๆถูกชักจูงอยู่ตลอดเวลานะหมายความว่าเราเราไม่เท่าทันอารมณ์เหล่านั้นถูกอารมณ์นี้ชักจูงไปไม่รู้เท่าทันดังนั้นตัวนี้ก็คือเป็นรากตัวทุกขะมสุ ข, ขเวทนาเป็นตัว ต้นต่อที่เราไม่รู้เท่าทันมันพัฒนามาเรื่อย ๆ, อยๆจนมาเป็นตัวนี้เรียกว่าอาวิชชาสวะสิสิ่งที่ตัวนี้ก็วัฒนาการมาเป็นขบวนเท่าไรหกใช่ไหมหกและเจ็ดถ้าสองอันยาวหน่อยสิบเอดขณะที่มันพัฒนาม า, าต่อตามเวทนาในพุทิชสุบาทนะแต่ตัวนี้สั้นมาหน่อยเพราะโอเปคขาวเวทนาพาะเราไม่ใส่ใจ หลายละเอียดก็ไม่เยอะดังนั้นในจุดนี้ไม่ต้องเอาไปคิดนะแต่ให้ไปรู้ว่ารากในกรณีที่เราไม่ใส่ใจความสบายไม่ใส่ใจด้วยสติรากมันจะงอกออกมาอย่างนี้แหละหรือความไม่สบายทางกายเราไม่ใส่ใจพิจิษฐพิจารณาไม่ใส่ใจรู้ไม่ใส่ใจศึกษาอาการนั้นๆเราเข้าไปเสพเราเข้าไปดื่เสพไปผักไปดันมันออกไป ไม่ได้เปเฝ้าดูมันก็จะแตกงอกออกรากมาอย่างนี้แม้ความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกที่ไม่ชัดอะไรเป็นอะไรสนใจไปทางอื่นเราก็ยังไม่มีสติใส่ใจมันก็จชองออกรากมาแบบนี้เพราะนั้นปลายรากสุดเรียกว่าอาสะว ะ, ะก็มีสามตัวกามาสะวะพัฒนามาจากสุขเวทนาแล้วก็ภาวาสะวะพัฒนามาจากทุกขเวทนาอวิชายสะวะ พัฒนามาจากอาทุกข์กามสุขเวทนาอันนี้คือสรุปในส่วนทั้งหมดของเวทนาสับสนไหมไม่สับสนแต่ขอหลับไปหน่อยแลยวไอ้หนูหลับไปเลยครู <c oughs> ฉันไม่รู้เรื่องด้วย <c oughs> เอาละทีนี้เราก็มาวิสคัดกัน อ, อันนี้เอาจบแค่ น, นั้นแหะว่าในส่วนทั้งหมดเนี่ย จะว่ามันยากก็ไม่ใช่จะว่ามันง่ายก็ไม่เชิงนะแต่ว่าเราจะทั้งหมดหมันเหมือนกองขยะ ก, กองหนึ่งถ้าหากว่าเราจะขยะ ก, กองนี้เราจะเผามันทิ้งก็ไม่ได้ประโยชน์ถ้าเราไม่เผามันทิ้งมันก็อันตรายจะทําไงกับขยะ ก, กองนี้ยงสมปองอันนี้ในฐานะเป็นกองขยะรา ก, ากไม้รากอะไรเอาขึ้นมากองลกแล้วแต่นี้จะทำยังไง ไปเผาถ่านเออใช่เน่ึก่าเอาลังมไม้ไปเผาถ่านใช้สติพิจรารณาก็ใช้ไฟไนะแต่ว่าถ้าเผาทิ้งก็มันขี้เท่าเฉยๆเนาะน่ะเป็นมลพิษเพราะฉะนั้นเอาขยะเหล่านี้ไปทำอะไรเอาปุ๋ยเอาไปทำปุ๋ยนั่นหมายความว่า ขยะทางอารมณ์ทั้งสามอย่างที่มันกองเพะเดินเทินทึกแต่ละวันเนี่ยจะทำยังไงแปลให้เป็นปุ๋ยเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยนะเอาอะไรเอาเอยื่อใส่เข้าไปเอากาษหุ้มตาลใส่เข้าไปนะทำเป็นปุ๋ยชีวภาพนั่นหมายความว่าเอาสติสัมปะะใส่เข้าไปนั่นเองนะเอาสติสัมปะะใส่เข้าไปลาดลงไปแล้วก็หมักเอาไว้เดี๋ยวเป็นปุ๋ย มันก็จะกลายเป็นสุขเวทนาหมายความว่าสติสัมยา้เท่าทันสุขเวทนาก็กลายเป็นเมตตาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นปุิยละปุ๋ยดีละนั่นหมายความว่ามีตัวสติสัมยาแต่เราเรียกสติสัมยาชื่อรวมว่าวิชามีวิชาเป็นหัวขบวนแต่ถ้าหากว่าอาวิชานาก็คือ ตัณหามานาทิฏฐิเป็นตัวนำอวิชชาตัณหามานาก็เรียกกิเลสก็ได้สั้นๆกิเลสเป็นตัวนําคือวิชาดังนั้นการที่เราทั้งหลายต้องมาเป็นสุขเป็นทุกขเวียนว่ายแต่เกิดไม่รู้จบมันเหตุแค่นี้เองแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากมันมันเกิดเชื้อโรคที่ที่ทำให้เราจะต้องเป็นคนป่วยของวัฏสงสารรักษาไม่รู้จบต่อเมื่อพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นท่านมาประกาศยาสามขนานคือพุทธโอสถ ธรรมอโอษฐ์สังฆโอสฐ์ที่นี่เราจะบริโภคไหมเราจะทานไหมเราจะรักษาตัวเองไหมก็อยู่ที่เราพระพุทธเจ้าเพียงแต่แสดงความจริงเพียงสยแสดงเห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็นปลายว่ามันเป็นมาอย่างไรเราเกิดมาอย่างไรเราตายไปไอย่างไรเราทุกข์อย่างไรท่านบอกแจงรายละเอียดให้หมดแต่เราจะเอาหรือไม่เป็นเรื่องของเราเราที่เนี่ไม่ใช่หน้าที่ของท่านจะต้องมาบังคับกลับกับให้เราบังคับให้เราต้องเอาไม่ใช่แล้วดังนั้นถ้าหากว่า เราผู้ที่ใฝ่ในประโยชน์สุขที่แท้จริงเราก็จะเริ่มศึกษาแต่หลายคนไม่ต้องการที่ศึกษาไม่ต้องการที่จะรู้เรื่องเหล่านี้มีไหมอยู่มนม อ, อุปสรรคมีเยอะเลยใช่ไหมเพราะอะไรอะมันยากซับซ้อนเราก็เลยสืุอว่าคนคนนี้มันเป็นอะน ประทัปรมาไปเฉยเลยนะบอกว่าพวกนี้บัวใตไม่ใช่ย ต, ตรมใตเลนนะไตอะไรเอ้ไตคนกีนเลยน ะ, ะนยนะถูกตาหนักเลยแหละเห็นไหมไม่ใช่ยมที่มาพูดตอนเช้าว่าวุธิิาวะเขาไม่ถึงนะความแก่งอมความแก่ทางอีซีเข้าไม่ถึงเรื่องุธทิาวะไม่พอ เพราะนั้นบุคคลเหล่านี้ก็จะต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดบุธิัาวะไปเรื่อยๆแต่การนี่เขาไม่เอาเราไปโทษเขาไม่ได้นะแต่เหตุปัจจัยยังไม่พร้อมอนั่นเองไอ้ ท, อ, อ, อ, ทอดยากอ่าแต่อย่างที่เราคุยกันนี่มันไม่น่ายากนะใช่ไัม ย, ยากไหมอเอ้ <laughs> ใช่ไหมนังนั้นเราก็ต้องมาทำยังไงที่จะสร้างให้คนเกิดศรัทธาอ่าเรื่องนี้สำคัญแล้วตัวพุทธศาสนาของเราเนี่นะมันมีสองลักษณะลักษณะที่เป็นสมมุติเพื่อชักจุงศรัทธาเช่นพูดถึงเรื่องเออทำทานจะได้อานินสงส์อย่างนี้นะที่เขาเข้าใจได้ก่อนนะเข้าใจได้ว่า ไปเกิดเป็นสวรรค์มันจะได้สมบัติสุขสบายเอาสุขวิทนามาล่อ ก, ก่อนสุขวิทนามันขยายไปกว่านี้นะมันจะได้ไปเป็นเทวดาฉะนั้นฉะนี้นเทวดาที่จะมีลักษณะคืออาจจะต้องชักจูงให้เกิดในส่วนที่เขาเข้าใจได้เสีก่อ น, นะคือเรื่องอ น, นิสง์ของสีอ น, นิสง์ของทานคนก็เลยไปติดอีกนะไปติดในเรื่องสวรรค์อ่า พอปฏิเรื่องสวรรค์เราจะดึงปณิพาน์ก็ไม่ได้แล้วไปเกิดเป็นเทวดาก็ยิ่งอยากไปนิพันธ์อยากพอมัไปติดสุขแล้วไม่อยอมเอาแล้วแต่ถ้าจะมาเอามรรคผลเนี่ยมันยากอ่ะใช่ไหมก็ไม่อยากเนี่ยถ้าเราไปภาวนาถึงอ น, นิสงค์ของทานที่จะชักจูงให้เกิดศรัทธาแต่ไม่ได้ใส่ปัญญาเข้าไปได้วยเขาก็ไปติดในเรื่องบุญเรื่องกุศลล่ะที่นี้มีศรัทธาจริงแต่ศรัทธาที่ ไม่นำไปสู่การที่จะพน้นดันั้นในนั้นพระพุทธเจ้าจึงใช้หลักในการพัฒนาห้าประการหนึ่งที่ท่านพูดกับใครนะเรียกว่าอนุปุปพิกถาถ้าเราเป็นชาวพูดเราเคยได้ยินคานี้คุณอนุสสาต์ได้เยอะเคยได้ยินคานี้อนุปุปพิกถาไม่เคยเห็นไหม <laughs> นี่ขณะคนวัดๆนะคนเข้ามาวัดๆแต่คนไกลวัดจะขนาดไหนก็นะวะฮะ ภาษ า, า, ายากอ๋อใช่แต่ถ้าเราจะต้องศึกษาเรื่องนี้บ้างมันก็จะต้องลงทุนกันหน่อยเนาะไปศึกษากนคือพระพุทธเจ้าตัดกับพระยะศคุรบุตรหรือใครนะใช่ยะศคุรุบุตรว่าวิธีการที่จะไปสู่ตัวมรรคผลโดยชว่าธรรมดานเนี่ยท่านใช้ก็ ว, ว่ามีห้าขั้นหนึ่ง การคือการให้นะมีการให้ให้แล้วเกิดอะไรขึ้นสองพูดถึงอา น, นิสงส์ของทานคือได้สวรรค์ท่านใช้คําว่าสักะกะถาอันแรกท่านใช้ว่าทานกถาพนาถึง อ, นนงองานิสงส์ของทานให้หินให้แจ่มแจ้งว่าได้อะไรก็พ้นมีชาดุนี่ทานเยอะแยะเลยมาพนาถึงเรื่องทานพ่อไดบิดดุก ไ, ไปอ่านดูทีผูห้หูเป็น หลายสิบเรื่องว่ า, าทานอันนี้จะไปเกิดอันนั้นได้สวรรค์ชั้นนั้นทานอันนี้าทานศาลาได้อะไรทานโบดได้อะไรทานวิหารได้อะไรทานถนนได้อะไรทานห้องน้ําห้องส้วมได้อะไรทานผ้าเหลืองโอ้อันนี้สงฆ์มากหมายมหาศาลเลยใช่ไหมก็ เ, เกิดคนทั่วไปฟังเข้าใจเพราะจะต้องเอาเขาเรียกว่าเอาดัญหานั่นเองล่อดัญหานะเอาตัญหาแก้ตัญหา ถ้าได้สิ่งนี้แล้วจะได้สิ่งนี้อันนี้คนทั่วไปคือธรรมดาที่สุดใช่ไหมฉันซื้อสิ่งนี้ฉันก็ต้องได้สิ่งนี้ฉันทําบุญอย่างนี้ฉันก็ได้อะไรอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าได้สวรรค์คือความสบายถ้าทศวรอนบอกว่าความสบายใจนี่มันไม่เป็นรูปธรรมนะต้องสวรรค์ต้องมาแบ่งเป็นชั้นนี่ไงใช่ไหมมาแบ่งเป็น6ชั้นแต่ละชั้นมีเทวบุตรเท่าไหร่มีเทวดาเท่าไหร่วิวีมานกี่หลังมีคนใช้เท่าไหร่นี่เขาก็พรรณนาเอาไว้หมดบอกสวรรค์คือความสบายใจสวรรค์ในอกนโลกในใจฉันไม่เอามองไม่เห็น เห็นอันนี้คือวุธิภาวะเขาไม่ถึงแต่ว่าเราต้องนำให้เขาเกิดวุธิภาวะตรงนั้นก่อนเรียกว่าสักขคาถานะอันที่สามท่านบอกว่าในสักขคาฐานั้นก็ อ, า, อาทีนวะีว่าวหมายสวรรค์เองมันก็เสื่อมให้เห็นโทษของความสบายอย่าไปติดความสบาย เขาบอกองไงนะถึงคุณทําบุญมาเยอะคุณได้รับความสุขความสบายแต่อย่าไปติดคุณให้เอาสวรรค์นี่ไปแลกเอานิพพานก็คือให้เห็นโทษของมันว่าความสบายก็เสื่อมเป็นใช่ไหมมีรากา ก, ก็เสื่อมราภมียศก็เสื่อมเสื่อมยศได้รับสรรเสริญก็มีนินทาแล้วก็มีทุกข์ <c oughs> สุขดีดีมันก็ทุกข์เป็นเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปติดกับสวรรค์นนะไปชมให้มันพอว่ามีจริงก็คุณก็ออกมาทําบุญชั้นสูงต่อไป ธรรมุนชั้นสูงต่อไปทาไงท่านบอกว่าให้มีการใช้คําว่าศีลคถาคือพุทธอ น, นิสงส์ของศีลมาพัฒนาถึงเรื่องศีลให้รักษาศีลยกระดับจากการให้มารู้จักรักษาศีลพูดถึงศีลและคถิเมื่อรักษาศีลก็คือรักษาให้ใจิตใจให้มีความเข้มแข็งขึ้นพัฒนาเป็นคนที่มีระบบเรียบเรียบขึ้นรู้จกกักอดรู้จักทนรู้จกกักอดรู้จกกัจกกัน้น เคยกินข้าวสอมือ้อก็ลองมากินสองมื้อดูเคยกินสองมือ้อก็ลองมากินมื้อเดียวดูอะไรทำนองนี้เคยแต่งหน้าแต่งตาก็ลองไม่แต่งมันดูเคยไปเที่ยวเตลเล่ร่อนลองไม่เที่ยวดูอะไรทำนองนี้คือเริ่มจากนี้ไปก่อนรู้จั ก, จกอ ด, ดกันถ้าไม่มีการอดกันกันเลยเนี่ยมันไปไม่ได้ทางด้า น, านมรคนั่นนะเมื่อทําได้ปับ๊บท่านก็บอกว่า พ, พูดถึงเรื่องขัน้นนิสารณา คาถานิสระนคถาก็าคือรู้จักแม้แดดรู้จักสลัดออกรู้จักสลัดอะไรสลัดความสบายออกไปนะรู้จักสลัดในสิ่งที่มันลภลุงลังในกายในใจโอสลัดอารมณ์รู้จักสลัดอารมณ์รู้จักนะขัดเกลาอารมณ์ขึ้นมาก็จะไปสู่ตัวเริ่มต้นมรรคผลแลเริ่มต้นจากการให้ทานท่าสาศีลทานคาถาสินคาถาก า, การมาทินุปถานนิสระนาคาถามาพูดเข้าสู่ระดับมรรคผล แล้วก็ให้ทานนุ่มารักษาศีลเมื่อกี้่มาข้ามขั้นตอนไปทานแล้วก็ต้องมาศีลศีลนั่ถึงมาโทษของออแล้วก็สวรรค์สวรร์แล้วก็อ น, นิสงฆ์โทษของสวรรษแล้วมาถึงการสลัดสวรรค์ออกแล้วมาถึงทางมรรผลตามลําดับท่านจะพูดถึงตามลําดับอย่างนี้ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้อย่างเราทั้งหลายที่มาศึกษาเรื่องนี้เราได้ผ่านขั้นตอนเหล่านั้นมากันไหม มหมดแล้วเนาะให้ทานก็ให้มาแล้วจริงไหมให้จนเบื่อแล้วทานนลยนะหรือบางคนยังไม่เคยให้ทานเลยบางคนอย่างนี้ด้วยนะไปเปิดอารมณ์ที่รีสอร์ทที่ไหนเนี่ยถ้าหากหมอคอนที่มาบ่นให้มาฟังถ้าหากว่าฟรีเนี่ยหลวงพ่อโอโหสมักันเพิแต่ถ้าหากคิดค่าคอสสักนิดหน่อยด้วึกถอยกันเป็นแถว โอ้แม้แต่ทานยังไม่ให้แล้วก็จะไปสวรรค์ไปนิพพานกันได้อย่างไรเหมาะคนที่มาบน่นเออนี่ยคอหนึ่งคนละพันบาทสองพันเขาอยู่บ้านเขาบ่นมากเวลาเขาไปเช่าพี่เขาบ่นมากกว่านั้นนะหลวงพอ่ออันนี้ไปหาความสบายไปเอามงค์ผลนิพพานแค่ข้อละพันสองพันยังไม่อยากได้เลยอันนี้อันนี้ก็มีอย่างนั้นเหมือนกันไม่ทานยังไม่ให้แล้วสิ่งจะได้อย่างไรนะนีอันนี้ก็น่าคิดนะแต่เออถ้าเขาไปเที่ยวเตลเล่นนนเอาไปช็อป ปิ้งไปต่างจังหวัดหมดเป็น12 0,000 ครมื่นขผลได้นั้นไม่ถึงยี่สิบสองพันไปพักปฏิบัติธรรมอะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งน่าคีดนะการบริจาคดังนั้นเรื่องของการพัฒนาในสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมีเงินไขสิบแล้อมหลายอย่างประสมประสานกันเข้าไปแต่ไม่ใชจ่จูๆแล้วจะไปเด็ดเอายอดเลยมันยากยอดนั่นกูมันจะขึ้นมาได้ต้องปลูกต้นแลปลูกต้นเป็นกิง่งเป็นก้านรดน้ําให้ปุ๋ยพรวนดินกูจะมาเป็นยอดได้เหมือนกัน วันนี้ถ้าสมมุติเรามาปฏิบัติเรื่องนี้มันเป็นยอดอันหนึ่งของการปฏิบัติแต่ก็จะมาเกิดข้อที่ได้เนี่ยก็ผ่านส่วนประกอบหลายอย่างผ่านการลงทุนเรื่องเสียเวลาผ่านเรื่องการต้องสลัดเวลาการงานเรื่องผ่านการจัดการเรื่องผ่านการเดินทางผ่านการที่จะต้องสลัความสุขสบายอะไรหลายอย่างโอกาสหลายอย่างที่เราจะพึงมีพึงได้เราก็สลัดไปเพื่อให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะก็เป็นการให้ทานเหมือนกัน ใช่ไหมการให้ทานด้วยเวลาการให้ทานด้วยโอกาสการให้ทานด้วยสลัดหน้าที่การให้ทานเสียสละความสุขสนตัวแม้ถ้าการให้ทานด้วยเงินได้ทองก็เป็นการลงทุนทั้งหมดในจุด น, นี้นะดังนั้นอามาเอ็นก็เลยทําหน้าที่นี้เพราะได้เห็นอนิสงุ์อามาเอ็นได้เห็นอนิสงุ์นะเห็นอนิสงุ์อะไรเห็นอนิสงุ์ความทุกข์ของตัวเองมาก่อนเห็นอนิสงุ์ความที่ไม่มีความเรียบร้อย เห็นอะไในสงส์นั้ความไม่ไม่มีความไม่เป็นระเบียบเรียกว่าคือไม่ศีลไม่มีศีลไม่มี ส, ม, ม, สมา ธ, ธิไม่มีปัญญามาก่อนเนี่ยพอมาทําสิ่งนี้แล้วมันเกิดศีลมันเกิดสมา ธ, ธิมันเกิดปัญญาชีวิตก็ดีงามชีวิตก็สุขเย็นแล้วคนอื่นน่ะเขามีสิ่งนี้เหมือนเราไหมมีบางทีเขาดีกว่าเราตั้งเยอะแต่ถ้าเขาเราก็ต้องแย่กว่าเขาทุกที่ทำไมเราพัฒนาตัวเองมาได้ล่ะคนที่ดีกว่าเรา เพราะต้องเยอะทำไมเขาจะพัฒนาไม่ได้มันคิดอย่างนี้ได้มันก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะบอกกันนะถ้าไม่ไม่เห็นจุดนี้แล้วไม่มีแรงบันดาลใจที่จะช่วยดังนั้นออกมาก็เลยว่าตราบใดที่มีแรงที่จะพูดเรื่องนี้ตราบใดที่ยัมีแรงที่จะทำงานทําไปตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนทำได้เพราะเสียดายที่คนได้เกิดมาแล้วนะโดยที่ไม่มีสิ่งนี้ติดตัวไปเนะี่ย มันไม่ได้อะไรเลยนะทรัพย์สมบัติขอต่อให้หาไว้เปืนหมื่นล้านแสนล้านก็เอาไปไม่ได้ถ้าไปเอาทรัพย์สมบัติตัวนี้มาแลกเอาสิ่งนี้คําว่าแลกหมายความว่าหาเอาไปหาโอกาสเพื่อจะได้สิ่งนี้เนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าเรามาทําสิ่งนี้แล้วให้ชัดเจนให้เข้าใจแล้วพัฒนาเปลี่ยนแปล ง, ปลงชีวิตให้ดีขึ้นมันคุ้มที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นะเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนา แล้วในเมื่อภาวนาเนี่ยมันยอดเยี่ยมแค่ไหนแล้วการเกิดมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ของง่ายนะเกิดมนุษย์นี่แสนยากสิ่งที่ยากที่สุดที่วุทยาท่านจัดไว้สี่อย่างมีอะไรบ้างต้องถามองค์ต้อ ง, อ ง, องอสั ง, ง, สงนั่งหลับใชแล้วเห <laughs> ็นี่ย <laughs> องพ่สังนั่งหลับใช้แล <laughs> โอ้เป็นเป็นเป็นแบบเป็นนายแบบที่ไม่เข้าท่าเลยแบบนี้ <laughs> จะให้เป็นนายแบบเส้นหน่อยว่าเกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดยากอย่างเลยโอ้ยากอะไรขนาดคุมกาเนิดมันยังเกิดเลยหลวงพ่อว่างั้นนะเออไปเห็นยากอะไรเกิดมาเป็นมนุษย์ น, นีย่ยอันนั้นไม่ใช่หลวงพ่อพุทธทาสให้เดนฟิชันนี้ได้ชัดเจนมากเลยว่าเป็นมนุษย์คุณอ น, นุสักจําได้ไหมใครจําได้บางก่อนหลวงพ่อพุทธทาสว่าไงนะใจสูง เหมือนอย่างยุงไม่ดีที่แววขนอากใจต่ำก็เป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาเป็นมุ์เป็นได้เพราะใจสูงใช่ไหมถ้าใจไม่สูงที่นี่ใจจะสูงด้วยอะไรใจสะอาดใจสว่างใจสงบใช่ไหมใครมีครบเรียกว่ามนุษย์ษาเพราะพูดถูกทาถูกทุกเวลา ย่อมเปรมปีดาทุกคืนวันสุขสัรรจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําว่าเป็นมนุษย์ต้องใจสะอาดใจสว่างใจสงบตรงนั้นต่างหากมันเกิดยากไอ้เกิดเป็นตัวรูปตัวนามไม่ยากหรอกแต่เกิดคุณธรรมที่ในจิตของมนุษย์ตัวนั้นที่ว่าเกิดยากนะพั น, นชัยบาลีว่าอะไรกิจโฉมนุษย์สปพติลาโปการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากไม่ได้หมายถึงเกิดเป็นตัวเป็นตนแต่หมายถึงการเกิดคุณธรรม นะที่ม่าเกิดยากเนี่ยลำพังที่เกิดเป็นมนุษย์เดียวันนี้มันจะล้นโลกเลยนี่เป็นยากอะไรจะล้นโลกจากเมื่อกี่พันล้านแล้วนี้เป็นหก0ันล้านะรนะแล้วทีนี้อันที่สองที่ยากนะกิจฉังสัตว์กิจฉังมัจจานะชีวิตต่างการได้เกิดมาแล้วเนี่ยที่จะ อยู่อย่างสุขสบายไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดอะไรเลยเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่องโดยที่ไม่ผิดทําอะไรทำมาหากินได้สะดวกแต่ไม่ไม่ผิดเนี่ยทําได้ยากที่สุดเลยนะมันก็จะต้องมีความลําบากหลายอย่างการทำมาหากินลาบากหลายอย่างในการที่จะต้องอยู่ใต้บังคับข้อกําหนดกฎหมายเรื่องศีลธรรมวัฒนธรรมต่างๆเยอะแยะไปหมดดํารงชีวิตอยู่ยาก าการทำเนหากินเรื่องอาชีพการงานการศึกษาอะไงต่างต้องต่อสู้เศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรต่างที่จะอยู่รอดปลอดภัยโดยที่ไม่ทุกยากที่สุดแทบจะไม่มีเลยแหละใช่ไหมมีกิจฉังมาจากนชีวิตต่างต้องผ่านเรื่องการเจ็บการป่วยการไขกร้การหนาว ก, การลมหายใจจากการพัดภ้าการเป็นโรคภัยไข้เจ็บเยอะแย ะ, ยะไปหมดไอการที่จะไม่เป็นสิ่งนี้เลยน่านบอกยากที่สุดยากที่สองนะ อันที่สามนั่นกิคฉั่งสัทธรรมัทสวนังการที่จะได้ฟังอะไรที่เป็นอัดเป็นธรรมการได้ฟังอะไรที่เป็นสาระเป็นเหตุเป็นผลเข้าใจได้เนี่ยยากที่สุดส่วนใหญ่สิ่งที่เราฟังเป็นอะไระมันเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดทุกข์ทางนั้นนะเนี่ยที่ฟังแล้วเกิดทุกข์บรรดับวงเลยหมดทุกหมดปัญหาเนี่ยเคยมีบ้างไหมมีเหมือนกันแต่น้อยนะแต่ถ้าได้ฟังเนี่ย อะไรเป็นอาจเป็นธรรมคนที่จะมาพูดให้ฟังเป็นอาจเป็นธรรมเป็นเหตุเป็นผลชัดเจนเนี่ยหายากหายากนะอันที่สี่เท่ากับิโฉพูทนาพุทธานุโมปาโทการเกิดภาวะผู้รู้พูดตื่นผู้เบิกบานในจิตเป็นสิ่งที่ยากนะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเป็นสิ่งที่ยากที่สุดทีนี้เราจะทํำยังไงที่จะให้มันเป็นไปได้ก็คือจะต้องทําเท่านั้นทําให้มันง่ายได้อยู่นะ มันง่ายได้ใจสะอาดใจสว่างสงบเราก็ทำได้ง่ายแล้วจะรักษาชีวิตจิตใจให้อยู่สุขสบายถ้ารู้จักวิธีก็ทำได้ง่ายเรื่องฟังอะไรเป็นเหตุเป็นผลเป็นอจัจเป็นทำก็ไม่ยากนะมีคนมาพูดให้ฟังแล้วก็ปฏิบัติภาวนาเพื่อให้เกิดภาวะรู้ตื่นเบิกบานก็ทำได้แต่ท่านบอกว่าการเกิดของพระพุทธเจ้าตามภาษาคมภีนะ การเกิดของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยากหมายความว่ากับหนึ่งกันหนึ่งพระพุทธเจ้าจะมาตัดสักองค์หนึ่งไม่รู้เราจะไปเกิดพบท่านหรือเปล่าเพราะอันนี้มันมันไกลตัวเราเกินไปเอามาก็เลยบอกว่าภาวเกิดภา ว, วะรู้ตื่นเบิกบานขึ้นในจิตเนี่ยมันเป็นของยากแต่ไม่ได้หมายความมันเกิดไม่ได้มันเกิด ไ, ไ ด, ได้แต่มันยากหน่อยท่านเองใช่ไหมคุณฤิษีศักดิ์มันเกิดได้นะแต่จะทําำไงให้มันเกิดก็อย่ามานั่งทํานี่แหละ เดินจงกรมสร้างจังหวะทำสมาธิรู้สึกตัววันหนึ่งอะ่ะมันเกิดที่ไหนทีวันหนึ่งมันก็สมบูรณ์ขึ้นมาเรื่อยๆอ่าเพราะฉะนั้นพวกเราที่มาศึกษาเรื่องนี้คอสนี้แล้วเนี่ยต้องไม่ต้องไม่ไม่หลงที่จะไปสนใจเรื่องอื่นให้มากนักให้ใส่ใจเรื่องนี้ให้มากถ้าใส่ใจเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวให้ถูกต้องนะจะไปปฏิบัติสายไหนวิธีไหนเนี่ยง่ายหมดเลย ทุกว น, นี้มันจะไปสบายใสไหนก็ได้แต่ทําวิธีการนั้นให้จบทักอันหนึ่งกอ่อนจะสนใจเรื่องหนอก็ทําหนอให้มันหายสงสัยไปทําเรื่องอื่นได้หมดจะทําพูดโทก็ทําพูดโทให้มันหายสงสัยจะมาเจอในสติก็ง่ายจะทําเจริญสติแบบเคลื่อนไว้ก็ทําให้มันหายสงสัยจะไปทําเรื่องอื่นก็ง่ายนะใช่ไหมให้มันไปเส้นทางได้เส้นทางหนึ่งแต่ถ้าหากว่าไปทางนี้ได้หน่อยนะโอ้โหท่าจะไม่ใช่กรอไปทางโ น, น้น ไปทางน้ยเชื่อหน่อยเห็นท่าจะไม่ใช่ออกไปทางโน้นต่อนไปทางโน้นเห็นท่าจะไปวนเงินไปเรียนเี่นไปทุกสายเลยไม่จบสักสายเลยเรียนไม่จบสักที่ให้เรียนจบสักอย่างหนึ่งนะต่คุณจะเรียนจบวิชาการค้าก็เรียนให้มันจบแล้วพอจบวิชาการค้าขายเป็นได้เงินได้ทองคุณจะไปเรียนวิชาอื่นเพิ่มเติมอีกก็แล้วแต่แค่ให้มันจบให้มันได้สักอย่างหนึ่งนะให้มันได้เกิดสักอย่างหนึ่งดังนั้นวิธีนี้ เรามาศึกษาเรื่องแล้วก็ทําให้มันเต็มที่นะเมื่อเต็มที่แล้วมันก็ทะลุหากันหมดอนะดังนั้นต้องบอกว่าทางเข้าสู่กรุงเนี่ยหลายสายทางแต่เขาให้ไปเส้นทางให้ถึงเส้นเสหนึ่งเส้นแล้วเรื่องอื่นมันเมื่อถึงกรุงเทพแล้วจะเส้นอื่นมันจะถึงเหมือนกันเราจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เพราะมันมาถึงแล้วนะดังนั้นอันนี้คือหลักการโดยอาศัย หลักอย่างที่เราพอสัมผัสได้นี่แหละนะแล้วในเมืองไทยของเราเนี่ยทาไมคนจึงศึกษาเรื่องนี้ได้น้อยเพราะว่าคนสิ่งความหมายทำความเข้าใจมันน้อยแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้สอนผู้พูดเนี่ยเป็นภาษาตำราแม้แต่มาเองพูดมันก็ต้องมีเรื่องตำราเหมือนกันเป็นภาษาแผนที่อ่ะถ้าเราไม่อ้างแผนที่เลยมันก็ไม่ใช่ พอบางทีอาจจะพากไปคนละที่ได้ทางมันไม่ใช่ทางเพราะฉะนั้นแต่ในการอ่านถึงแผนที่เราก็พาเดินทางด้วยนะไม่ใช่พาอ่านแผนที่อย่างเดียวก็เดินทางด้วยแต่จะไปเอาแผนที่เป็นทางเราก็จะต้องเดินทางโดยอ่านแผนที่มันก็ปลอดภยัยแต่ถ้าหากว่าจะให้เลือกระหว่างไม่ต้องใช้แผนที่ถามคุณไปเรื่อยๆถึงไหมก็ถึงเหมือนกันใช่ไหม ดีที่สุดคนที่เคยไปมาแล้วมานําเราไปก็ยิง่งง่ายเลยใช่ไหมเออนั่งรถไปกับผมเดี๋ยวผมบอกทางให้ไม่ลำบากใจเลยใช่ไหมเนี่ยเอาคนเนี่ยเป็นแผนที่ถ้าเอากระดาษเป็นแผนที่ก็ลำบากหน่อยถ้าเกิดอ่านแผนที่ผิดอ่ะบางทีเส้นทางแผนที่มันบอกแต่ทางไปแต่มันไม่ได้บอกว่าแยกตรงนั้นสามแยกให้แยกให้คุณแยกไปทางโน้นทางนี้เนี่ยถ้าแยกผิดก็ไปคนละเรื่องเลยนะดังนั้นทางแยกของชีวิตยิ่งมีเยอะเลย นะไอ้ทางแยกของข้างนอกก็ถามได้แต่ทางแยกของชีวิตบางครั้งไม่มีใครเป็นเงินถามเราต้องถามตัวเองนะในนั้นะนะเรื่องนี้ขอให้ศึกษาแล้วทำความเข้าใจแล้วจะง่ายแล้วชีวิตที่มันหลุดมันพ้นมัน อ, ออกจากเรื่องนี้ได้เป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระมันก็ไม่ต้องทุกข์เลยไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องทุกข์อ่ะใช่ไหม มันไม่มีเรื่องอะไรต้องทุกข์ถ้าถ้าชีวิตเป็นอิสระและ้วลองลองดูนะอันนี้เป็นคําพูดนะแต่ไปเจื่อของจริงยังไม่แน่นะต้องต้องต้องศึกษาต่อไปถ้าหากว่ากายกับใจอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยไม่มีอะไรทุกข์เข้าไม่ได้หรอกแต่ทุกข์มันจะเข้าได้ทุกข์จะเข้ามาหาเราได้ต่เมื่อกายกับใจห่างกันปั๊บเข้าทันทีเลยทีนี้จะทําำไงให้กายกับใจอยู่กันแบบน้ํากับดินนะอ่า น้ำกับนมนะเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนั้นแหละกายกับใจให้อยู่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วไม่สามารถจะไปอะไรแทรกเข้าไปได้ก็คือมาทำอย่างนี้มาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาจนเป็นนิสัยแทนที่เป็นกิเลส ท, ที่เป็นอนุสัยก็ให้เอาเป็นสภาวะธรรมเนี่ยเป็นอนุสัยนะเป็นธรรมอนุสัยไปแล้วเราก็จะง่าย ดังนั้นในวิธีการปฏิบัติที่ดูมาวันนี้ก็ปรากฏว่านั่งได้สองชั่วโมงง่ายขึ้นใช่ไหมง่ายขึ้นผู้นี้ง่ายกว่านั้นอีกเพราะอะไรเพราะเริ่มเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาแนละ้วผู้นี้เพิ่มอีกสักชั่วโมงเนาะจากสองเป็นสามเลยเนาะโอเคสองก็จะเป็นลมเป็นแรงอยู่แล้วเนาะสามนี่ไปกันใหญ่เลยนะแต่ว่าเรื่องท้าทายเนะมาว่า เอามานั่งครั้งหนึ่งเท่าไรเคยไปนั่งนั่งตั้งแต่ฉันเช้าเสร็จเนี่ยสิบโมงอะ่ะนั่งอย่าไปถึงห้าโมงเย็นเลยว่าอะไรเกิดขึ้นแต่นั่งนั่งอิเลโบรเดียวแต่ขยับได้นะขยับโน้นขยับ น, บนี้ขยับนี่ น, นะเพียงแต่มันไม่เปลี่ยนท่ามากอะ่ร น, นั่งอยู่อย่างนั้นทำดูเออถ้ามันตายพอตายแล้วก็ตา ย, ตายว่าถ้ามันไม่ตายเราก็จะได้ทําต่อไปได้มันก็ไม่เห็นมันตายนะทําไปเออปรากฏว่าทาแล้วมันเบาสบายอีก ความปวดเขาม่นหายไปเลยน่นนะเออมันเป็นอย่างนั้นก็ทำให้เราได้ใจทีนี้เออนั่งบ่อยๆทำในสิ่งที่ทำได้ยากอย่าทาในสิ่งที่มันง่ายเกินไปมันไม่มีค่าอันไหนที่มันว่ายา ก, ยากๆลองทำดูแเราทำได้แล้วรู้สึกเออมันเพิ่มค่า น, นอนดึกตื่นเช้าทำยากลองทำดูตัด เรื่องของสิ่งเสียบติดทั้งหลายน้ำชากาแฟาของกินเล่นจุกจิกที่ไม่เป็นมือเป็นข้าเป็นข่าวเนี่ยทําได้ทําดูนะแล้วก็กินอาหารสุขภาพไม่อร่อยทําได้ทดําดูกินอาหารที่มันอร่อยไม่มีคุณค่าตัดได้ตัดดูมันก็เริ่มต้นไปอย่างนี้แหละปฏิบัตินะแต่ถ้าหากว่าปฏิบัติไปแล้วไม่ลดรัดตัดทอนในสิ่งที่เกินจําเป็นไม่ลดรัดตัดทอนสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยกับตัวเองการปฏิบัติก็ มีผลน้อยนะเพราะการปฏิบัติเพื่อฝึกอะไรฝึกใจให้เข้มแข็งนั่นเองเมื่อกิจีเทพแข็งแล้วมันสลัดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เลือกทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์น่ะสลัดในสิ่งที่มันเกินจําเป็นเลือกทําในสิ่งที่จําเป็นเพราะในชีวิตของเราเนี่ยมันมีแต่เรื่องจําเป็นอันนั้นก็จาเป็นอันนี้ก็จําเป็นแต่ว่ามันมีจําเป็นที่สุดอันไหนที่ให้มีเวลาของชีวิตว่างเยอะๆหน่อยอันนี้อะไรก็จําเป็นเวลาไม่ว่างเลย ในสิ่งที่ไม่จำเป็นบางอย่างตัดออกไปบ้างที่มันมาพลาดเวลาของเราเวลาว่างมานั่งคุยกันจำเป็นไหมเวลาว่างมานั่งอ่านซื้อฟิมจำเป็นไหมเวลาว่างมานั่งดูละครหลายอย่างในชีวิตจริงของเราไม่จำเป็นนะใช่ไหแต่ทำไมเราต้องทำเพราะเรายังแยกไม่ออกว่าอัานไหนจำเป็นที่สุดจำเป็นที่สุดก็คือทาให้ชีวิตของเราเบาสบายไม่เพิ่มภาระ นเงินทองของเราจ่ายเฉพาะจําเป็นที่สุดอันไหนไม่จำเป็นที่สุดไม่จ่ายนะมันก็เหลือยใช้อันนั้นก็จะเป็นต้องซื้ออันนี้จะเป็นต้องซื้อนะว่าจะแทนว่าจะออกไปบ้านจะไปซื้ออันนั้นสักแค่ร้อยบาทออกไปจ่ายจริงๆกลับมาห้าร้อยหกร้อยหมดไปเนี่ยเราไม่สามารถจะเลือกอะไรจําเป็นที่สุดชีวิตจริงของเราต้องพยายามศึกษาเรื่องนี้นะจํากัดเรื่องนี้ให้ได้ แล้วชีวิตเราจะเบาเพราะฉะนั้นในช่วงเงย็นวันนี้เราได้ปฏิบัติผ่านกันมาแล้วก็มาศึกษาสรุปรวมเรื่องของเวทนาพรุ่งนี้ก็จะมาศึกษาเรื่องของจิตตาพิปัสนาว่าเป็นอย่างไรนะแล้วก็ในเรื่องของจิตก็ยังเรื่องซับซ้อนเพราะฉะนั้นเวทนาทั้งหมดที่เราเรียนรู้มาวันเนี้พอจะจับหลักได้แล้วใช่ไหมจับหลักได้แล้วจะยอมเสพสุขกับมันอีกไหม เราจะวิ่งหนีความทุกข์อีกไหมเนี่ยนะถ้าเข้าใจต้องทำได้นะเราจะหลงเพลินไปกับเวทนาบางอย่างอีกไหมเนะี่ยห้ามกันไม่ได้หรอกแต่ให้มันได้รับทุกข์บ่อยๆซะก่อนแล้วมันก็ค่อยเลิกถ้าเราไม่ได้รับบทเรียนนะใครจะมาพรฒนาสาธยายเลิ่นเลยแค่ไหนมันก็จะทำเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะอะไร เพราะเรายังไม่ได้พิสูจนยังไม่ได้ทุกจากสิ่งนั้นน ะ, ะถ้าเราทุกจากสิ่งนั้นอย่างสาหาัสไม่มีใครบอกให้ทําหรอกทาเองนะเพราะฉะนั้นต้องแต่ว่าท่านว่าอย่างนี้นะสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตเรามีพระตามไปเยอะนะไปบิณฑบาตไปพบคนเจ้าของขอกมา้า เอามาออก่าจากอคอกต่เช้ามาฝึกท่า น, นก็ถามชื่อแกขืนไหนโกดีโกดีท่านคงจะรู้จักนะแกเป็นเจ้าของขอคอกมา้าในรู้สึกม้มาแคดีๆนั่นม้าแต่ละตัวเนี่ยขายมีราคาสูงเหลือเกินแกมีวิธีคัดไม้อย่างไรอ่าโกดีก็บอกว่ามันก็ไม่ยากนะครับมองนะม้าบางตัวเนี่ยถ้าฝึกได้ยินเสียง ไม้เร็วดังฟิตอย่างเงี้ยมันก็ไปลจะจะบังคับมันก็ไปม้าบางตัวไม่ไวขนาดนั้นต้องซ้าสลัดไม้แท่หลายๆครั้งมันถึงจ ะ, ะทําตามแล้วบางบางตัวไม่อย่างนั้นบางตัวต้องได้แตะสักหน่อยหนึ่งแล้วมันถึงจะทําตามแม้าบางตัวแย่หน่อยก็ฟาดครั้งสองครั้งถึงจะทําตามแต่ม้าบางตัวนี่ฟาดแล้วฝดีมันยินเฉยอยู่เลย แ้วเธอทำยังไงเพราว่าเจ้าว่า่าทิ้งหรือขายทิ้งอะอ้าทำไมไม่เก็บเอาไว้บอกว่ามันเสียตระกูลมาว่าางั้นนะวาเดี๋ยวมันไปมีลูกมีหลานออกมาลูกหลานมันก็ดื้อกว่ามันอีกไปก็เลี้ยงมันหมดราคาว่างั้นนะหมดราคาแต่มาตัวใหว่องไวจะดูแลพันธุ์อย่างดีเลยนะเพียงแค่ได้เสียงสกิดนิดเดียวเนี่ยไปเลย ขุนเจ้าก็เลยว่านายโกสีเราก็ฝึกสาวกเราเช่นนั้นเหมือนกันเออจารย์ <c oughs> สรุปนะเราก็ฝึกสาวกของเราเช่นนั้นนายโกศีเอ้าถ้าพระองค์ไหนไปทำตามท่านท่า น, านสอนอย่งไม่เอาดังท่านานั้นฆ่าก็ทิ้งได้ไงอ่ะม้าเนี่ยม้านี่มึงฆ่าได้นะแต่ท่านไปฆ่าพระเด็กกันได้เหรอนายโกสี <c oughs> ตกใจดูก่อนนายโกศีการฆ่าเราฆ่าแบบอริยะฆ่าแบบนายท่าน องไหนก็ตามที่บอกแล้วสอนแล้วเตือนแล้วสั่งแล้วไม่เอาเราไม่พูดด้วยเราไม่คบหาด้วยเราไม่อยู่ด้วยแล้วก็ไล่หนีนี่คือแการวิธีการฆ่าแบบอริยะเพราะฉะนั้นอย่าให้การฆ่าันเกิดขึ้นนะโอ้คุณอาโทรศัพท์มาหลายครั้งไม่ได้เรื่องเลยต่อไปคอร์สของหลวงพ่ออย่ามาเลย น, ะนี่หลวงพ่อฆ่าเรียบร้อยแล้ว เมื่อฟังเรื่องหลายห้อนแล้วเนี่ยไม่พัฒนาเนี่ยเหมือนเดิมอยู่เลยอันนี้นพ่อก็จัดการค่าเรียบร้อยต่อไปคุณฤาษีอย่ามานะมาคุณมาเสียเวลาในพุทธเจา้าท่นฝึกวิธีของท่านอย่างนั้นเราก็เช่นเดียวกันนะอย่าเป็นคนฝึกยากสรุปง่ายๆเ่ยนะฝึกกันง่ายๆแล้วก็มันจะไปได้ไวทีนี้ก็ทำให้เราสนุกสนานแล้วก็ได้ผลมีความสุขในการฝึก แล้มีความสุขกับรูปเสียงกี่รสมาไม่รู้กี่พวกวิชาดอกไอ้สุขไปทำไมอีกใช่ไหมกินข้าวอร่อยก็แค่นั้นนะมีลูกมีผัวมีเมียอร่อยก็แค่นั้นนะหมดโทษวิชาติก็เลิกกันมีของใชด้ดีๆก็พอเบื่อก็ขายทิ้งหรือทิ้งไปเลยนะมีทรัพย์สมบัติมันก็ซูลหายใจหมดไปมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแต่คุณธรรมที่เราสามารถสัมผัส ความสุขความสบายความสงบความเยือกเย็นกับมันได้ทุกเวลานาทีเราทํำมันไม่เอาใช่ไหมไม่ต้องไปฝากกับสิ่งอื่นเลยอะ่ะดนั้นขอฝากให้คิดเรื่องนี้น ะ, ะเราก็ทําไม่ยากด้วยแต่ขอให้ทําอย่างสนุกแล้วมันจะเกิดวิธีการของมันเองแต่ถ้าฝืนใจทำข่มใจทําไม่อยากทําแล้วข่มใจทํตาต่างไปงั้นเองโอ้อ่าทําอย่างนั้นมันมันไม่ได้อะไร แต่สนุกทำอย่างสนุกหาคเกรียงหาวิธีการแต่มันง่วงเลยฉันจะหาวิธีการสู้มันนะนะมันดังนี้มันไม่ตื่นฉันจะทําแบบนี้อย่างนี้ฉันจะทําอันนี้ยอมมันเฉยเลยนั่งแงบเงบเฉยเลยไม่หาวิธีสักวิธีเลยโอ้ไม่เข้าท่าเลยเรื่องนี้นะพ่อเห็นแล้วท้อใจเหมือนกันนะว่าเพราะนั้นหาวิธีหน่อยหาวิธีหน่อยแต่วันนี้มันก็หมดแล้พรุ่งนี้ไม่เหลือหรอกพ่อสติเข้มแข็งก็เราก็หายไปเรื่อยๆนะ เอาละเนาะเหลือเวลาที่จะไปจัดที่รักพักที่นอนได้แล้วก็ครนโมทนาสาธุในความตั้งใจงเราทั้งหลายที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยให้มันบังเกิดมีเป็นาวาสนาบารมีของเร า, าจนกระทั่งว่าเราสามารถเข้าถึงได้ในชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ